ตอนดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์วันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้า้อห้าสิบแปดกราบน้ำสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมธีกัลยาณมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายสบายเนาะชีวิตเราบางทีร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่ามันเป็นธรรมชาติของกิเลสนะกิเลสคือความเคยชิน เราบ่มเพาะอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะมีคำหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันบ่อยๆที่พ่อคูยกตัวอย่างนักปราชญาฝรั่งเศสคุณเดกากเทียบก็ เ, เคยพูดไว้ว่า I think t h e r e for e I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวตนและทุกคนก็ยอมรับปราชญาตรงนี้ ก็เลยไปแก้ที่ความคิดคิดบวกนะคิดบวกเราก็ได้บวกคิดดีเราก็ได้ดีนะจริงๆแล้วนี่คิดนี่คือปลายเหตุนะต้นเหตุคือมันมีคนคิดมันต้องกลับกันคือ I am there for e I think เรามีตัวตนเราจึงคิดเราคิดก็สร้างตัวตนใหม่นะทีนี้วิทยาศาสตร์เราก็ไปแก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้องคิดบวก เพราะเราอยากได้สนองตัญหาส่วนผู้ที่เจ้าแก้ที่ต้นเหตุของมันคือมันมีผู้คิดเราสร้างอัตตาแล้วเนี่ยเราจึงคิดตามอัตตาเรานะเพราะครูทาไมรู้เรื่องนี้ไม่เกิดจากเราเองสี่สิบปีนี่เราก็เราก็ถูกสอนว่าต้องคิดคิดคิดคิดคิดคิดนะได้ยินปุ๊บก็คิดเห็นปุ๊บก็คิดนะสัมผัสปุ๊บก็คิด เราคิดตลอดชีวิตจนงานก็สำเร็จระดับหนึ่งแต่ว่าได้กำไรชีวิตมีของแถมมาด้วยคือเป็นไมเกรนเห็นไมความเครียดลงกระเพาะอันนี้คือผลที่เราคิดมันเป็นมโนกรรมเพราะเราคิดเพราะเราอยากพู้เจ้าบอกอยากคือที่มาของทุกเห็นไมทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นไมเราก็ต้องรับกรรม กรรมเพราะที่เราคิดเราก็เลยปวดหัวปวดหัวก็กินยาพาราระงับมันไว้กดมันไว้มันก็สะสมความเครียดสะสมเราไม่รู้สึกไม่เจ็บปวดเพราะยาพารามันระงับมันเลยกลายเป็นไมเกรนถ้าทําไปเรื่อยจากไมเกรนกลายเป็นมะเร็งนะมันเป็นมโนกรรมเราต้องรับกรรมตัวนั้นเห็นไหมยุคนี้เราแก้ที่ปลายเหตุเพราะมนุษย์เราคิดผิด ตั้งโจทย์ชีวิตผิดนะดหรือใครปฏิเสธว่าเราคิดนี่ไม่ใช่เพราะเราอยากเห็นหเพราะเราอยากเยอะๆเขาก็สอนให้เราคิดบวกคิดบวกคิดบวกทุกวันนี้ทิฏฐิีคิดบวกแรงถึงขนาดว่าเข้าคอร์สเขาเรียกว่าปลูกยักษ์ได้ยินข่าวนะน่ากลัวมากแค่คนกับคนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้มันปลูกขห้ยักษ์มาคุยกันแล้วมันจะไปไหนล่ะ ปลุกพลังยักษ์ขึ้นมาเพื่อสนองตันหาเรานะแล้วก็พูดหน้าตายเฉยว่ามันต้องเป็นแบบนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนี้แต่สำหรับพ่อครูเรามันมันไม่ใช่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นพ่กครูเคยเป็นแบบนั้นแล้วสี่สิบปีพอมันระเบิดพ่อมันตีกับพ่อครูถึงรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ต้องคิดก็ได้ยี่สิบหกปีของพ่อคูไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมจริงเหรอไม่คิดทํางานได้เหรอ ทุกวันนี้ยี่สบกปีทำงานมากกว่า4ี่สิปีวิ่งไปตามโลกด้วยนะทำงานทุกวันโดยไม่ต้องคิดเพราะเราไม่มีอนาคตเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ทำเพราะทำแต่ทุกวันนี้เราอยากเราก็เลยถูกสอนให้คิดบวกคิดบวกหมายถึงคิดมากกว่าเก่านะคิดมากกว่าเก่าคิดเพื่อสนองตัญหาคิดเพื่อปลอบใจตัวเองคิดเพื่อกระตุ้นยักษ์ให้มันตื่นขึ้นเพื่อจะได้มีพลังต่อสู้ สุดท้ายก็เด้ง น, นี่แหละพอตั้งตั้งปัชญาผิดปุ๊บเราก็ทาผิดพวกครูถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเหมือนเราปวดหัวกินยาพาราปวดหัวกินยาพาราเนี่ยมันก็มีสารตกค้างเมื่อลิตยามันหมดแล้วเนี่ยมันก็ปวดอีกต้นเหตุคือเราไปคิดนี่คือมโนกรรมวัจจิกกรรมกายกรรมแต่ถ้าจิตมันมีปัญญาแล้วมันจะแก้ที่ต้นเหตุของมัน นะแก้โดยไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปอย่างตั้งมั่นจดจ่อับงานในผลงานก็ต้องดีในแน่เห็นไหมล่ะไม่ต้องมีอนาคตทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตเมื่อปัจจุบันเราทำดีที่สุดพรุ่งนี้มันก็ดีปีหน้ามันก็ดีอันนี้ทาไปด้วยคิดไปด้วยนะ แทนที่จะทำร้ยเปอร์เซ็นทำห้าสิเปอร์ซนตก็คิดอีกห้าสิบเอร์เซนตผลงานก็ได้ออกมาแค่ห้าสิบเอร์เซนตถ้าเราทำงานโดยไม่ต้องคิดจดจอ่อทำกับมันเนี่ยมันก็ได้ร้อยเปอร์เซนตแล้วก็กาไรด้วยคือถ้าเราคิดปุ๊บอารมณ์มันแทรกอารมณ์ห่วงใยกังวลกลัวกลัวว่าจะไม่สำเร็จทำไปด้วยกลัวไปด้วยนะอันนั้นทุกข์มากแต่ถ้าเราทำเพราะทำ มันเป็นหน้าที่เท่าทําลังยังมีความสุขนะอารมณ์แทรกไม่ได้นั่นแหละคือเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วก็ผลงานออกมาดีด้วยสุขภาพร่างกายก็จิตใจก็ดีด้วยเห็นตอนนี้ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ความคิดแบบทางโลกคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ดีนะหลักการของวิทยาศาสตร์เป็นความถูกต้องแล้วพระเจ้าก็สอนแบบวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่าย อย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่พูดตามๆกันมาเห็นไหมพระองค์ล็อกไว้หมดเลยอย่าพึ่งเชื่อต้องทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนี่คือหลักวิทยาศาสตร์แต่บังเอิญความคิดแบบวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ถูกครอบนาด้วยทุนนิยมแข่งขันเสรีก็เอาหลักการวิทยาศาสตร์นไปสนองตัวนั้นน่ะ เพื่อแข่งขันเพื่อชนะอันนี้เป็นประเด็นที่เราเราเราตั้งโจทย์ผิดทุกอย่างก็ผิดหมดก็เลยไปแก้ที่ป่ายเหตุเห็นไหมพราะครูเห็นจากตัวเองไม่มีหนังสือเล่มไหนเขาบอกอย่างนี้นะพเพราะระเบิดปุ๊บยี่สิหกปีไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นคนอะไรรู้ไหมกลายเป็นคนสิ้นคิดกลายเป็นคนเพี้ยนจากสายตาคนอื่นเราไม่ทําตัวเหมือนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่มีอนาคตแล้ว นะทีมนี้กลัวมากตอนพ่อคูไปบรรยายวงเทพพูดบอกว่าไม่มีอนาคตนะทีมประตูน้ําเราเนี่ยพกูพูดอย่างนี้เ พ, นเพื่อนเพื่อนคนที่ทำไมใหม่ๆเขาไม่เข้าใจนะคําว่าไม่มีอนาคตไม่ใช่ว่าเราไม่ทํางานนะเราทํางานดีกว่าเก่าอีกนะเราอยู่ปัจจุบันพ่อคูบอกอย่าห่วงอนาคตมากอนาคตมันมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตอย่าห่วงมีอยู่แล้ว ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้มันก็ดีปีหน้าก็ดีชาติหน้ามันก็ดีอันนี้ทําปัจจุบันเนี่ยแทนที่จะทำร้อยเอร์เซ็นตก็ทำไปด้วยคิดไปด้วยเออทาเสร็จแล้วจะไปทําอะไรเอ้ยฉันจะสําเร็จหรือเปล่าวะพอคิดปุ๊บอารมณ์มันก็แทรกมันก็กระทบสิ่งที่เราทําอยู่ในหลักความทุกข์เกิดขึ้นอย่ามองอนาคตทุกคนมีอนาคตอยู่แล้วนะทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดต้องจูนใหม่หน่อยนะ พ่อคูเข้าใจพ่อครูสิ่งมาแล้วนะพ่อครูเข้าใจสิ่งที่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่แต่พวกเราไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พ่อคูทําอยู่เพราะพวกเราไม่เคยเป็นแบบพ่อครูนะแต่พ่อคูเคยเป็นแบบพวกเรามาแล้วดูว่าเราคิดอะไรเราทําอะไรนะก็อย่าเพิ่งเชื่อไงเอาสิ่งที่พ่อคูพูดไปพิจารณาหน่อยหนึ่งมันเป็นยังไงนะแค่ชีวิตเราคิดนิดนึงในนี้นะ เบาไปหมดเลยนะแล้วขยันกว่าเก่าอีกนะแต่ไม่ใช่ขยันแบบโง่ๆเหมือนที่ผ่านไปใช่ขยันไม่หลับไม่นอนนะแต่ใช้เวลาขยันคิดสร้างอารมณ์มามาคิดสับสนคิดกังวลคิดห่วงใยคิดพุ่งสั้นคิดแล้วก็กลัวความกลัวทำให้เราเสื่อมนะพวกคุณเห็นจากตัวเองไงมันเป็นไปได้ยังไงไม่คิด ไม่ต้องคิดเลยพวกครูถึงเข้าใจคาสอนพุทธเจ้าโอ้พระองค์บอกมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมบางคนบอกว่าฉันคิดดีมีอะไรไม่ดีเหรอนั่นแหละไอ้คิดดีนั่นหละตัวดีคนคิดดีมันก็กังวลมากกว่าคนอื่นเขากวจะไม่สาเร็จเนะี่ยดีในทางโลกนะคิดจนไม่ไม่หลับไม่นอนนะมันก็ทำลายร่างกายตัวเองคิดสนองกิเลสคิดสนองตัณหา ผู้เจ้าก็บอกท่าหาคือที่มาของทุกข์ลวไงแล้วสนองมันตลอดแล้วยังไงล่ะชีวิตเราเดี้ยงหมดนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตนะเราหยุดคิดไม่ได้หรอกนะมีงมีหลายคนแย้งพระครูเลยทำไมไม่ไม่คิดได้เหรือพระครูทําไมไม่ได้ตํารวจจับไหมมันผิดศีลข้อไหนทําไมจะไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนไม่เข้าถึงตรงนั้นล่ะเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะเราถูก เราถูกสอนให้คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วถามว่าทาสานมันคิดไหมมันคิดอยากได้เครือหาดหลังใหญ่ๆไหมมันคิดอยากได้รถยี่ห้อแพงๆไหมไม่ไม่เลยมันหิวก็กินม่วงก็นอนเนี่ยมันไม่ได้คิดนะทุกวันนี้ที่เราคิดเนี่ยเพราะเรามีสัญญาเรามีเอาวิชาเรามีความรู้ผิดเราก็คิดตามความรู้ผิดของเราคิดตามภาษา ความรู้ในยุคนี้มาในรูปของภาษาใช่ไหมเราเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยมาคิดคนจีนก็ใช้ภาษาจีนมาคิดฝรั่งก็ใช้ภาษาฝรั่งมาคิดคิดตามภาษาเจ้าทาสานมันไม่มีภาษามันก็เลยไม่ต้องคิดยี่สกปีพระครูไม่ต้องคิดคิดปุ๊บแปรนาคตแล้วนึกปุ๊บไปอดีตแล้วถ้าไม่คิดมันอยู่ปัจจุบันตลอดไง มันอยู่ปัจจุบันตลอดทุกคนก็ถูกสอนว่าอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะเราเข้าใจหรือเปล่าปัจจุบันมันคืออะไระเวลาเดินอยู่ก็คิดแล้วเดี๋ยวจะไปถึงจะไปทาอะไรเห็นมหยืนอยู่ก็นึกถึงอดีตแล้วเอ้ยไม่น่าทำมาเลยนะแทนที่จะอยู่กับการยืนเราไปอนาคตต่อไปอดีตแล้วขาดสตินะ อยู่ปัจจุบันแค่ไม่ต้องคิดเฉยๆน่ะเรายืนก็ยืนเราเดินก็เดินเรากินข้าวก็กินข้าวเราทำงานก็อยู่การทำงานนั้นเรียกว่าอยู่ปัจจุบันนั่นหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นเห็นหทีนี้เราติดความคิดแล้วเนี่ยเราไม่มีกำลังสู้ความคิดเขาถึงให้เราฝึกสมาธิไงสมาธิเป็นอุบายวิธีที่ให้เราจดจ่อ นะใช้พลังสมาธิจดจ่อกับ อ, อยู่ตัว น, นั้นเกาะมันไว้เมื่อพลังมากกว่าความคิดก็แทงไม่ได้เราก็รู้สึกสงบระวางความคิดเราก็ว่างเกิดความสงบชั่วครู่แต่ปัญญายังไม่เกิดนะถ้าอยู่แค่นั้นกี่สิบ ป, ปีอยู่แค่นั้นก็ได้ความสงบชั่วครู่พอเลิกคิดก็วีนอีกเหมือนเรากดสปริงไว้นั่นแหละกดไว้กดไว้เห็นไหมตั้งใจกดมันก็กดอยู่พอเผลอปุ๊บไอ้ลูกโตชนปุ๊บเด้งผางเลยเห็นไหม เราต้องทำลายสปริงซะทำลายมันทำลายมันนะทำลายมันเมื่อทำลายเสร็จ้วมันก็เป็นแค่เส้นลวดเส้นหนึ่งหรือเส้นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดสงบตลอดการนั่นคือดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ดับปลายเหตุทุกวันนี้เราดับปลายเหตุกันปวดหัวกินยาพาราดับปลายเหตุเมื่อิปยามันหมดมันก็ปวดอีก มันไม่สงบดับปลาเหตุคือเอาสมาธิไปกดมันไว้หนีมาอยู่ในฌานอันนี้ก็ยาพลาต้นเหตุคือมันมีอวิชชาเราต้องปฏิบัติจนให้จิตมันเกิดปัญญามันก็รู้เท่าทันอวิชชานั้นความรู้ผิดนั้นก็หลอกเราไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็เจาะยางมันรถคันนี้ชื่อว่ากิเลสนะแล้วก็สูน้ำมันมันออกมาทุกวัน เห็นไหมเมื่อน้ำมันมันหมดรถคันนี้ถามํานันวิ่งได้ไหมรถที่ชื่อว่ากิเลสวิ่งได้ไหมไม่ได้กิเลมันหมดแล้วไม่มันยังอยู่แต่มันไม่มีพลังที่จะพัฒนาไปสู่ตัณหาอุปทานก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดพระอรหันยังมีกิเลสอยู่นะยังมีกิเลสแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหานะทำตามกิเลสพวกเรากินข้าวนี่กิเลสนะฝรั่งกินขนมปังเป็นกิเลสของเขา แต่ถ้ากินเพราะกินกินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัณหาแล้วอุปทานไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดพระเจ้าถึงบอกดับทุกข์ดับที่ตัณหาไม่ใช่ดับที่กิเลสแต่ที่มาของตัณหาคือกิเลสต้องรู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดไม่ใช่ดับที่กิเลสกิเลสดับไม่ได้มันคือความเคยชินเราเนี่ยทุกข์สมุทยนี้โลดมาก ตัวสมุทัยไม่ใช่ตัวกิเลส น, นะตัวตัณหานะแต่ตัณหาที่มาของมันคือกิเลสถ้าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยชีวิตเราก็ทำตามเรากินข้าวเราก็กินข้าวนะกินตามกิเลสไม่ใช่กินเพราะตัณหาอ้ยมันอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยก็กินมากเกินไปเดี๋ยวท้องอืดก็ทุกข์ละมันไม่อร่อยไม่อร่อยเนี่ยกินแค่คำหนึ่งไม่ไม่กินป๊บ เดี๋ยวมันหิวก็ทุกข์ละเนีเราเราไม่ได้กินตามกิเลสเรากินตามตัณหาใช่ไหมกิเลสมันเป็นกลางๆจริงๆแล้วกิเลสไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นกลางกางแต่สิ่งที่เลวร้ายคือเราไปหลงมันเราไปส่งเสริมมันที่นี่มันก็ลงโทษเราถ้ามนุษย์เราเนี่ยทำลายกิเลสหมดไปจากโลกจั ก, กรวาลเนี่ย ระบบเวียน่าวตายเกิดล่มสลายบาปบุญคุณโทษล่มสลายพระอาหารหันต์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้พระอาหารหันต์เกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์เรามีกิเลสกิเลสมันเป็นกลางๆแต่พอพัฒนาสู่ตัณหาปุ๊บอันนี้ไม่กลางละมีตัณหาปุ๊บเนื่องด้วยเจตนาละเจตนากลายเป็นวิบา ก, กรรมนะกลายเป็นวิบา ก, กรรมนะก็ เมื่อกี้พูดไปไม่รู้มันพูดได้ยังไงนะเพราะกูไม่ได้ตั้งโจทย์จริงๆแล้วมีสามสี่คำถามวันนี้นะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวพ่อคูจะลืมอีกนะเมื่อคืนนี้ว่าจะพูดหน่อยหนึ่งบังเอิญเห็นไหมดินฟ้าอากาศมันมันไม่มันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ไปตามตามเหตุปัจจัยนะโดยเฉพาะต้องขออนุโมทนาบุญกับกลุ่ม กลุ่มอะไรนะกลุ่มประตูน้ำเราเนี่ยเพราะกูจำได้นะกลุ่มนี้น่ารักมากนะหลายๆคนไม่รู้นะกลุ่มนี้เนี่ยเขามีหลากหลายมากแต่เขาสแสวงจุดร่วมเขาสมนตจุดต่างจุดร่วมก็คือเป็นคนใจบุญหมดมีแต่แสวงบุญปฏิบัติธรรมแต่จุดต่างมีแน่นอนคนนึงชอบขาวชอบดำคนนึงชอบเหลืองคนนึงชอบแดงก็มีเยอะแยะนะมันเป็นเรื่องของความคิดที่ต่างกัน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 มันก็สร้างโปรแกรมหนึ่งให้เราเป็นหุ่นยนต์มันคนใหญ่เลยให้มันเหมือนกันน้ําแก้วนี่ขุนหมดเลยมันขุนไปทั้งโลกแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเหมือนกันหรือเท่าเทียมกันมันเท่าเทียมกันไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อมีพันล้านเกิดมาพ่อมีหนี้สินวิ่งร้อยเมตรแข่งกันคนนึงสตาร์ท จ, จากจุดนหนึ่งเมตรคนนึงสตาร์ทจากจุดห้สิเมตรเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ มันไม่ใช่เท่าเทียมศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าเราอยู่ร่วมกันได้นะไม่ใช่ว่าต้องเหมือนกันนะโดยเฉพาะเออประเทศเสรีประชาธิปไตยอะไรบ้ากันทั้งโลกเนี่ยนะความหลากหลายทางความนีนยมเป็นความสวยงามนะเป็นความสวยงาม ยิ่งออกความเห็นหลายๆคนแล้วทุกคนอย่างมีทิฏฐิมานะเดี๋ยวเราจะได้เจอคำตอบที่ดีที่สุดนะความคิดต่างไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องพัฒนาไปถึงการขัดแยง้งการทะเลาะเบาแว้งกันอันะนี้เป็นกรรม่างคนสั่งสร้างกรรมเพราะถึงว่าทีมนี่เป็นทีมที่น่ารักนะแล้วก็กลางวันพวกครูก็เคบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยที่คือดูแลเรื่องเด็กนักเรียนเราหลายปีมาแล้วนะทธุรกิจเรื่อง ชุดนักเด็กนักเรียนให้เราตลอดเวลาเพราะที่นี่อยู่ในป่าเนาะการติดต่อเรื่องพวกนี้ก็ไม่สะดวกเนาะบางอื่นเราอยู่ส่วนกลางอะไรเนี่ยก็สนับสนุนเป็นธุระทำเรื่องนี้ให้เราทุกคนก็มีภารากิจนะแต่ทีมนี้เ้ายังมีเวลานะนะบางคนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลา24ชั่วโมงของเราเ <c oughs> วลาเท่ากันอยู่ที่ว่าเราเจะเวลาไปทาอะไร ถ้าจิตเราเป็นกุศลน่ะไม่มีเวลาก็มีเวลาก็เอาเวลาไปทำบุญปฏิบททัติธรรมนะแต่ถ้าเราไม่จิตเป็นเป็นกุศลเนี่ยมันก็อ้างไม่มีเวลาพราะครูเข้าใจถ้าเล่นเกมได้เสียทุกวันนี้น่ะเราสร้าง GDP แข่งกันน่ะยสชั่วโมงของเรามันไม่พอหรอกที่จะแก้ปัญหาเราเอาเวลาที่ไหนมาทำอย่างนี้ไม่มีแน่แน่พรากครูเคยลุยมาแล้วเพราะว่าเราไม่พอไง ยี่ิบสีชั่วโมงเราไม่พอหรอกที่จะไปแก้เพื่อให้เราสำเร็จนะนะแต่ตอนนี้จิตเราเป็นกุศลแล้วจิตเนี่ยเราไม่ติดบ่วงมันมากเกินไปแล้วก็ทำหน้าที่เราก็แบ่งปันเวลาเนี่ยมาสแสวงบุญมาสะสมอริยทรัพย์ให้กับตัวเองนะอันนี้จึงบอกว่า อ, อนโมทนาบุญด้วยนะก็มีสามคำถามอยู่ตรงนี้ รบกวนฝากคำถามให้พ่อครูช่วยตอบในคืนวันเสาร์ให้หน่อยนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นวันอารทิ์แล้วเนาะขอให้พวกครูช่วยอธิบายกรรมที่เกี่ยวพันกันระหว่างพ่อลูกหรือแม่ลูกถ้าเราเข้าไปได้รับรู้ว่าเป็นลูกของคุณพ่อท่านหนึ่งในอดีตเราได้ไปในสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณพ่อท่านนี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับท่าน และเราต้องรับรู้ธรรมลมของท่านหรือรับกรรมและบุญบา ร, รมีของท่านด้วยหรือเปล่าคะเช่นรับรู้ว่าพ่อสูบบุหรี่แล้วเราก็มีอาการไอจนเจ็บคอหรือว่าเป็นเราเองที่เคยสูบบุหรี่หรือมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยคะบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันแต่ที่มันเกิดอาการเนี่ยมันเป็นอุปทาน แต่ว่าเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์มันเศร้ามากแล้วจะไปอินกับมันเดี๋ยวเราร้องไห้มันเป็นธรรมอารมณ์ที่มันดูดเข้ามาเราไปดูหนังตลกเขาแสดงตลกถ้าเราอินกับมันเราก็ตลกกับมันนะถ้าจิตเราผูกพันกับคนนี้ อ, อ, อาการที่เขาสูบบุหรี่ถ้าเราไปใส่ใจปุ๊บเนี่ยความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจากเรานะ อันนี้เรียกว่าอุปท า, านนะมันเป็นอุปท า, านความผูกพันในอดีตที่เรามาเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่อุปท า, านปัจจุบันนะกิเลสในอดีตทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปท า, านมันก็บันทึกเป็นสัญญาในจิตได้สํานึกเรายกตัวอย่างว่าชาตินี้เราเจอในกอถูกชะตามากเจอในของหมันไส้ซึ่งเราตอบแบบเหตุผลแบบตรากกาไม่ได้ วิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้มันเป็นอุปทานในจิตใต้สมนึกเรานะบางทีเขาเป็นพ่อเราในชาตินี้บางทีอดีตชาติเขาอาจจะเป็นลูกหลานเราก็ได้คำว่าพ่อจึงสมมุติแม่ก็สมมุตินะมีญาติธรรมบอกสมมุติได้ยังไงนี่ฉันตั้งท้องเองเนี่ยฉันคลอดมันออกมาเองเลยเนี่ยนะแล้วแล้วไม่ลูกฉันได้ยังไง ลูกจริงๆเหรอคำว่าลูกนี่ใครตั้งให้เป็นภาษาไทยนะคำว่าลูกนี่ก็ชื่อสมมุตินะแต่ถ้าลูกเราจริงๆต้องเป็นลูกทุกชาตินะบางทีเกิดไปชาติใหม่เนี่ยลูกกับกลายเป็นพ่อแม่เราด้วยนะเห็นไหมถ้ามันจริงมันต้องเป็นทุกๆชาติสิเห็นไมที่พวกครูบอกวันนี้ก็มีทุกแกตัวหนึ่งตัวใหญ่เข้ามาศาลาได้ยังไงมาลูเนาะ อาสนมากในสาลาวัดต่างๆอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พูดอะไรหมายเนี่ว่าคือว่ากรรมที่เราสร้างเนี่ยส่วนมากที่วัดเนี่ยโดยเฉพาะพระคุณเจ้าโดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่สร้างวัดท่านก็ไปติดวัดนั้นโดยที่รท่านไม่รู้ตัวท่านก็ทําหน้าที่ท่านมันก็ผูกพันเกิดว่าบาังเอิญว่าเราเผลอสร้างกรรมโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีแล้วบังเอิญว่าเราตายแล้วเรามาเกิดใหม่เราไม่มีบุญพอที่จะเกิดเป็นคน แล้วก็กลายเป็นทุกแกมาเฝ้าตรงนั้นเจ้าวาดหายไปไหนทำไมไม่เป็นเจ้าวาดทุกทุกทุ ก, ทกชาติเห็นไหมมันเป็นก็อุปทานของจิตมันบันทึกไว้ล่ะมันก็ส่งผลนะไอ้เรื่องความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาพี่น้องกันเนี่ยนะอันนี้หนึ่งมาทวงหนี้สองมาจ่ายหนี้กัน ไม่มีแม้ต่หนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเลยๆนะแต่ถ้าเราเจอคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องถามบอกคือกรรมอะไรมีโอกาสจ่ายจ่ายให้หมดแล้วก็เวลาเดินทางไปไปตัวเบาๆอย่าแบกไปอีกแต่ตอนนี้สังคมโลกเขาสอนให้เราเนี่ยเวลาเขียนโสร์ ส, ส, อสอถึงกันเนปีใหม่ด้วยรักและผูกพัน ทั้งผูกทั้งพันกลัวมันดุดใส่กาวเยี่ยวหัวรักไปด้วยแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ต่างไปทวงนี้นะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์แต่สังคมโลกสอนว่ารักกันมันไม่ดีอะไรมันดีไงแล้วบวกสอนต้องรักกันนะต้องรักกันนะ เออลักก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปหลงกัแล้วกันส่วนมากอนลักมันจนหลงไงลักเพราะเธอเป็นของฉันถ้าถูกคนอื่นแย่งไปเนี่ยไม่ลักเฉยๆแค้ น, นี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายถ้ารักจริงๆคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่มีความสุขเราต้องอนุโมทนาสาธุสิเห็นไ้มลักมันทำให้เราทุกเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะ อันนี้คำตอบคืออุปทานข้อสองจะทราบได้อย่างไรคะว่าอาการผิดปกติทางร่างกายนี้เป็นแค่ธรรมลมหรือเป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นมีขี้ตามากผิดปกติแล้วเกิดอาการตาแดงขึ้นมาข้างเดียวหรืออยู่ดีๆ ก็ตื่นขึ้นมาไอๆจนเจ็บคอต้องรักษาหรือปล่อยไปคะถ้ามันเป็นมากนเนาะคำว่าธรรมอารมเนี่ยนะอารมณ์ทางธรรมะบางครั้งมันเป็นธรรมอารมเนี่ยแค่ธรรมอารมณ์เฉยๆมันไม่ส่งผลทั้งกายภาพนะแต่กรรมบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมอารมนั่นแหละมันจะส่งผลยกตัวอย่างว่า เ, เราไปเดินป่าเขาบอกว่าผีผีผีผนะแล้วถูกเขาหลอกให้เรากลัวผีลูกอย่าเอาไปข้างนอกบ้านในกลางคืนมันมืดมันมีผีเขาเอาผีมาหลอกเราแล้วก็กลายเป็นกลัวผีเราไมีอุปทานแล้วเรากลัวผีเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยพอเขาบอกว่าผีปุ๊บเนี่ยวิ่งไม่ออกเลยอารมณ์นั้นส่งผลถึงกายภาพ เห็นไหมมันแยกไม่ออกนะถ้าเกิดมันแรงแล้วตกใจกลัวจนมันแรงเนี่ยกลายเป็นโรคผีหัวโขนเลยผมล่วงหมดนะเห็นไหมผีมันไม่ได้ทำอะไรเรามันผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงเขาบอกผีหลอกก็บอกอยู่แล้วมันหลอกไอ้ผีในใจเรามันหลอกเรา ก็กลายเป็นส่งผลทางกายภาพจนกลายเป็นโรคผีหัวโขนผมร่วงออกหมดเลยเห็นไหมอันนี้อารมณ์มันส่งผลถึงกายภาพถ้าทําอารมณ์นั้นน่ยมันไม่แรงนะก็แค่เวลานั้นเราตกใจนะส่งผลว่าเราวิ่งไม่ออกเฉยๆพอผ่านไปแล้วมันก็จบแต่ถ้ามันแรงนะถึงขั้นที่มันช็อกบางทีตายเลยนะหัวใจวายตายเลยก็ได้ นะหรือบางครั้งพัฒนาไปสู่โรคที่ว่าโรคผีหัวโขนจนผมล่วงหมดเลยอันนี้คือธรรมอารมณนะ์อะอารมณ์ทางธรรมะเนี่ยมันก็คือกระแสกรรมกระแสกรรมคืออะไรเราเกิดมาร่วมกับเขาพ่อแม่รักเรามากกลัวว่าเราจะอันตรายท่านก็ใช้อุบายวิธีว่าลูกกลางคืนจะออกไปนอกบ้านนะผีดุ เป็นกรรมร่วมนะที่เราเกิดมาเจอพ่อแม่แบบนี้แต่เขาไม่ใช่เขาโกหกเรานะคุณตาคุณยายก็สอนเขาแบบนั้นเขาก็เลยสอนต่อเพื่อให้เราปลอดภัยกลงคืนอย่าออกไปข้างนอกแต่ทําไมทํามาเราก็สะสมอุปทานไว้ในตัวเราแล้วเราก็กลัวผีโดยที่เราไม่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยเห็นไหมมันส่งผลกับกับเรานะเพราะผีปุ๊บนี่ วิ่งไม่ออกเลยตัวแข็งทื่อเลยเห็นไหมกลายเป็นโรคผีหัวโขนผมร่วงหมดเลยนะบางคนช็อกตายเลยอันนี้อยู่ที่ว่ากระแสะกรรมเนี่ยมันแรงมันเบาแค่ไหนไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างมันเกิดขึ้นลยลอยนะโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งกายภาพจริงๆวิยาศาสตร์ก็รักษาตามอาการแต่ไม่ยมียาวิเศษที่ไหนเนี่ย จะสามารถรักษาโรคเวีลกกรคกได้นะไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่อุปทานนะเป็นอุปทานปัจจุบันนะปัจจุบันที่เรากลัวผีนี่เป็นอุปทานชาติปัจจุบันเพราะเรารู้ภาษาไทยปัจจุบันแล้วเขาสอนเราว่าผีน่า ก, กลัวมากเป็นอุปทานปัจจุบันส่วนบางอย่างเป็นอุปทานในอดีตชาติที่เราสะสมมานะที่ว่าเราเจอในายกอถูกชะตามากเจอในของหม่นใส อันนั้นก็เป็นอุปทานแต่เป็นอุปทานในอดีตเนื่องจากเราบันทึกสัญญาไว้บันทึกสัญญาปัจจุบันก็เกิดอุปทานปัจจุบันบันทึกสัญญาในอดีตเนี่ยกลายเป็นอุปทานซึ่งเกิดมาจากอดีตมันก็คือกระแสกรรมนั่นแหละนะก็ที่มันเกิดทางกายภาพเนี่ยเราก็รักษาตามอาการนะ หลวงพ่อชาเราเนี่ยเคยไปถอนฟันนะท่านปวดซี่หนึ่งเนี่ยท่านถอนทนสั่งให้หมอเนี่ยถอนทั้งหมดทั้งปากเลยท่านบอกมันทุกข์เพราะมันมีหมอไม่ยอมยอ ม, ยอมถอนมันถอนสั่งให้ถอนก็ถอนไม่อยากมีมาแล้วเนาะท่านถอนหมดเลยก็ใส่ฟันปลอมนะคือทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียนวิชามาไม่ได้ถอนทีละซี่ สอนเยอะกว่านั้นนะมันจะกระทบระบบประสาทก็กระทบจริงๆก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ท่านถอนดิงมันก็กระทบกระทบระบบประสาทท่านแต่จิตวิญญาณท่านไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเห็นมเพยต่ว่าถ้าจิตท่านไม่ไปทุกข์กับตรงนั้นแล้วเนี่ยร่างกายไม่เป็นยังไงก็ช่างหัวมันเห็นบางคนร่างกายดีดีนะครบ32ประการพอออกไปเดินตลาด เห็นคนอื่นมันสวยกว่าเรามันหล่อกว่าเรานี่ก็ทุกข์แล้วแค่นี้ก็ทุกข์แล้วไงเห็นไหมหาเรื่องอยู่ๆไม่ชอบก็ไปมองไปเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วตัวเองก็ทุกข์ว่ามันหล่อกว่าเรามันสวยกว่าเราเนี่ยเป็นอุปทานหนึ่งนั้นแหละโน่เหมือนหลายปีก่อนเพราะกูเห็นรายการหนึ่งโทรทัศน์เนี่ยเขาสัมภาษณ์กะเหลียงนะผู้นํากะเหลียง เขาว่าทำไมผู้หญิงกะเหลีย่ย ง, ง, งต้องใส่คอยาวๆนะปีนึงก็ใส่เขาไปใส่เข้าไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ใส่นะแต่หลังจากช่วงหลังนี่ลูกสาวเขาหลานสาวเขาเนี่ยพอถนนมันเข้ามาถูกคนในเมืองนี่หลอกไปทีละคนทีละคนเขาก็ใช้อุบายวิธีทําให้มันไม่เหมือนคนอื่นเขาใช้เขาใช้ปัญญาภูมิปัญญานะ คือเป็นสั ญ, ญาลักษ์เลยเนี่ยใครกล้ า, าขโมยลูกสาวเขาไปอีกไหมนะเป็นหลักฐานเลยนะเห็นเลยนะอันนั้นนะเป็นปูุิปัญญาชาวบ้านที่ว่าเขารักษาเผ่าพันธ์เขาเนี่ยตอนนี้เผ่าพันธ์เขายังอยู่ไงแต่เผ่าพันธ์ลูกสาวเราคนในเมืองเนี่ยถูกเขาเอาไปหมดแล้วนะเห็นร่างกายเป็นเป็นไทยแต่ข้างในเป็นลูกผีลูกคนนะนคนนนรึ่งคนครึ่งผีครึ่งฝรั่งครึ่งไทยนะ เออฉันจะไปเที่ยวเถก ค, คุณพ่อคุณแม่ยุคสิทธิเสรีนะคุณแม่อย่าพูดอะไรมากนะเป็นสิทธิของฉันก็ไปสิถอยหลังมาแม่ขอตังค์หน่อยหนึ่งเห็นไหมเอาแบบไทยนะขอตังค์แบบไทยจะไปเที่ยวแบบฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่าลูกผีลูกคนแต่กะเหรี่ยงเขาไม่ทําเขาอนุรักษ์ของเขานะี่ยพอเขาเคยชินแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนคนไทยบอกว่าคอระหงเห็นไหมคอยาวๆระหงมากนี่เป็นคนสวยงามนะ กเกลียงเขามองพวกเราในคอสั้นๆน่าเกลียดมากนะมันอยู่ที่ว่าเรามองอย่างไรเป็นอุปทาน น, นนั้นแหละนะอันนี้ถามมามัน ก, ก็เป็นอุปทานหมดข้อที่สามขอให้พ่อครูช่วยอธิบายลักษณะอาการและแนะนำวิธีป้องกันการเกิดธาตุไฟเข้าแทรกมันทำให้เกิดอาการปากขมด้วยหรือเปล่าคะกับธาตุไฟแตก มีพระรูปหนึ่งบอกว่าแก้โดยดื่มน้ำมะพร้าวไฟถ้าหาไม่ได้ควรทำอย่างไรคะจะถึงตายไหมและมันจะเกิดขึ้นเองหรือเฉพาะเวลาเราฝึกลมปานคคือเวลาเราฝึกลมปานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนช่วงที่คองหน้าบ้านนี่สิปีเทศบาลไม่เคยมาล้างเลยมันก็เกิดกลิ่น แต่เราก็ดมไปดมมาก็เคยฉินมันก็เหม็นไม่มากวันดีคืนดีเรามาเปิดฝาคลองเนี่ยล้วก็มาขุดล้างมันเนี่ยตอนนั้นเหม็นมากมันกำลังปรับสภาพนะเหมือนเราเดินลมปานเหมือนกันเนี่ยนะเวลาเขาเดินลมปานอยู่ถ้าไม่ระวังเนี่ยเรากำลังไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดตอนนั้นน่มีอะไรมาแทกเนี่ยมันง่ายต่อต่อการแทกเข้ามานะนะ ตอนนั้นอย่าเล่นไงตั้งใจทำนะแต่ถ้าเราแข็งแรงแล้วในจิตมันหมุนแล้วเนี่ยอะไรก็แทรกไม่ได้เขาเล่นคุณใส่ก็เข้าตัวเราไม่ได้คนที่ถูกเขาครอบงําได้พลังข้างนอกเนี่ยครอบงําเราได้ก็คือเที่ว่าจิตมันอ่อนแอนะส่วนไอ้ธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมอะไรเนี่ยทุกคนเป็นหมดไหมพอธาตุไฟมันมากกว่าก็ร้อนในก็เป็นิญญาขมธาตุน้ํามากกว่าก็เป็นหวัด เนี้ยขอเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยหมุนเวียงบ่อยๆปรับสมดุลนะเนี่ยเขาปรับธาตุดินน้ำลมไฟไอที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาธาตุนะอย่างเดียวนะนะไม่ใช่พิจารณาสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวนะนะไม่ใช่พิจารณาโพชฌงเจ็ดอย่างเดียวนะนะจิตมันรู้เองแล้วเวลานี้ เขาจะเอาอะไรมาเป็นตัวพิจารณามันไม่ใช่วิชาเรียนจิตเขารู้เองว่าเวลานี้ร่างกายเราตรงไหนบกพร่องธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาจะปรับสมดุลเองจิตเป็นนายกายเป็นเบาเขาไม่มีเหตุผลจะทำร้ายร่างกายนี้แน่นอนเพราะเขาต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทางของเขานอกจากจิตซึ่งมันเป็นหลงติดจิตมันโง่ นะมันเป็นหลงติดนะอันนี้พวกูว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจิตอย่างเดียวหรอกโปรแกรมที่จิตเป็นหลงติดมันก็เชื่อใจใจหลอกทำอะไรก็ทำตามใจอันนั้นต้องระวังทำตามใจนะแต่ถ้าจิตมันอิสระแล้วมันไม่มีเหตุผลจะทำร้ายร่างกายนี้นะเขารู้ว่าร่างกายนี้ตรงไหนบกพ้่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟตรงไหนมันมากกว่าเขาจะปรับสมดุลของเองนะก็ เราจะพึ่งยาเนี่ยน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าดื้อรั้นนะยารักษาโรค ก, ก็เป็นปัจจัยสี่ผู้เช่าตัดไว้ว่าบางครั้งเนี่ยถึงเวลาจำเป็นก็พึ่งมันบ้างแต่ไม่ใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับอ่อนแอหน่อยเด้งก็พึ่งยาตลอดเวลามันไม่มีวันเข้มแข็งนะพึ่งตนเองก่อนนะพึ่งตนเองทำให้ตัวเองแข็งแรงนะเมื่อเราแข็งแรงเราก็มีภูมิคุ้มกัน ส่วนแข็งแรงแค่ไหนก็ช่างถ้าโลกเวรโลกกรรมมันมาเนี่ยเวลารถชนกันตูมความแข็งแรงของเรามันช่วยเราได้ไหมใช่ไหมโลกเวรโลกกรรมมีต้องยอมรับมันแต่ถ้าจิตเราแข็งแรงมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์ไงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทําให้มันไม่เกิดแม้กระทั่งเจ้าชายสิทธาพงศ์ตัศลุทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ยังโดนเทวทัตเล่นงานเลยเห็นไหมกระแสกรรมมันก็เดินของมันแต่กระทบไม่กระเทือนจิตของผูพ้พบพระองค์ไม่ไม่ไปทุกข์กับมันแล้วเห็นไหมคำว่าเราตัดกรรมไม่ได้ว่ากรรมมันมันหะยุดนะเราไม่สร้างกรรมใหม่แน่นอนแต่กรรมที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเขาที่เขาอาฆาตมาด้ายเราเนี่ยเขาพยาบาทเนี่ยมันก็ส่งผลแต่มันกระทบมันไม่กระเทือนนอกจากวันใด ถึงวาระสุดท้ายที่เราละสังขารเราแล้วเนี่ยนะไปสู่ปรินิพานแล้วเนี่ยอันนั้นกระแสกรรมไล่บี้เราไม่ได้เพราะเราไม่ต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกกาะทำไอ้เรื่องว่าเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยบางทีมันยังไม่เกิดเป็นเทวดาอยู่นะบางทีเป็นเปตอสุรลกายอยู่นะ่ยมันจะไปแก้กรรมกัอนอยังไงแก้ที่จิตเราองค์คุริมาเน่ยชาติสุดท้ายนั่น ค่าคน999ถ้าไม่รีบเพ่นหนีนะไอ้999คนเนี่ย919ชีวิตบวกกับอีกของเก่าไม่รู้อีกกี่ล้านชาตินะเราจ่ายไม่หมดเรามีหน้าที่วิ่งหนีเพ่นออกจา ก, กวัฏฏะสงสารนี้ซะนะก็ไอ้ไอ้เรื่องแก้ด้วยกินน้ำงั้นมะพร้าวไฟบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็เป็นอุปทานนะ ช่วงไม่กี่วันนี้เนี่ยนะเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อคุณของเราเนี่ยท่านเป็นไปตามวาระอายุเก้าสิบามแล้วแล้วก็ในชีวิตท่านท่านพูดคำหนึ่งว่าโชคดีมากที่เกิดเป็นคนจนถ้าบอกท่านเกิดมาเป็นคนรวยเนี่ยท่านคงไม่มีโอกาสอย่างนี้เพราะไปติดสุขไง น, นะและความจนของท่านเนี่ยตลอดชีวิตท่านนะ ตัวเลขที่ท่านสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรเนี่ยคนจนอย่างท่านเนี่ยงบประมาณห0พันกว่าล้านเห็นไมเอาเงินมาจากไหนเงินพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยเห็นหแล้วคนจนอย่างหลวงพ่อคูณตอนนี้นะคนไปงานสั ก, กะละงานสริรา่านเนี่ยวันหนึ่งเป็นสองแสนสามแสนคนเห็นไหม ท่านบอกโชคดีมากเลยที่เกิดเป็นคนจนแต่ถ้าเราเกิดเป็นคนรวยแล้วเนี่ยเราก็ไปติดสุขเราก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะเมื่อกี้เอ่ยถึงหลงคูลซึว่าเราเล่นยินข่าวท่านบ่อยๆเราก็ศรัทธามากเลยเพราะวันในวันหนึ่งเราไม่สบายญาติพี่น้องก็พาเราไปแค่มองเห็นท่านไกลๆปุ๊บนี่ยขนลุกชู้เลยภูมิคุ้มกันมันเกิดหายไปครึ่งหนึ่ง พอเดินไปท่านตีหัวปกหายเลยนี่คือโรคอุปทานโรคอุปทานนะเหมือนเรากลัวผีอยู่เนี่ยกลัวจนเขาอ่อนเดินไม่ได้นะพอเขามีพระเอาพระพระทุนไปถือว่าเนี่ยเ้ยพระช่วยแล้วหายนี่แหละคือธรรมลมนะ ก็ส่วนจะกินน้นกินนี่ก็เหมือนว่าเออถ้าเราเชื่อเราศรัทธาพราอครูเคยพูดเล่นๆนะปล่อยข่าวไปเลยนะพราะครูบัญชาเนี่ยมีน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์มากนะมีโรคอะไรกินแล้วก็หายพ่อครูลดน้ำมนต์ปุ๊บเนี่ยหายเลยนะปล่อยข่าวนะ<ม>เขาก็วิ่งมาอยากศรัทธาเนี่ยพ่อครูบอกพระแขกไปเอายาต้มน้าให้พ่อครูหน่อยหนึ่งนะมาก็เป็นปัญญาเลยทันทีนะ ถ้าเกิดเรามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นมันมีผลโรคบางโรคเนี่ยต้องแก้โดยสร้างอุปทานใหม่ก บ, กบเกินอุปทานเก่าเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพอสาวกนี่ไม่สบายพระองค์แสดงโพชงเจ็ดไม่ใช่ฟังปุ๊บ ก, ก็หายนะต้องเข้าใจเนื้อหาของมันพอฟังแล้วปุ๊บเปลี่ยเรายอมรับในกฎแห่งกรรม มันก็ปลดเปื้อกอุปทานที่มันบล็อกเราไวา้ออกมาภุมิคุ้มกันก็เกิดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพอพระองค์ประชวรเนี่ยยังให้สาวกมาแสดงโพดชมเจตให้ฟังแล้วจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังได้ยินเสียงเขาสวดโคดชมเจตไม่รู้เรื่องอะไรระบบฉันก็หายนะไม่ใช่เป็นการปลดเปื้อกอุปทานเราถ้าเรายอมรับในกฎแห่งกรรมต้นนั้นเราก็ไม่กลัวอะไรจะเกิดก็เกิดเมื่อเรายิ่งไม่กลัวตายปุ๊บเนี่ยพุ่มคุ้มกันมันก็เกิด นะเรื่องนี้เคยมีญาติทรรมที่ไม่สบายที่กรุงเทพแล้วเนี่ยบังเอิญพูชมของพระคูณเนี่ยพระคระูก็บรรยายเป็นภาษาไทยให้มันง่ายๆนะเขาก็ไปเปิดฟังโรงพยาบาลเขาฟื้นได้คือเราไปปลดปมอุปท า, านของเขาออกให้เขาอยอนรับในเรื่องกฎแห่งกรร ม, มแข็งแรงก็ตายป่วยก็ตายนะดีก็ตายโชคก็ตาย กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายแน่ๆยี่สกว่าปีก่อนพ่อครูอยูยี่อยู่26นปีที่สองมั้งยังไม่มีศูนย์นะอยู่ในไร่แหลมทองอยู่ๆมีคณะหนึ่งเนี่ยลูกชายเขาอายุ21เป็นเอกนะไปอยู่ในไร่พ่อครูแล้วคนเต็มพ่อครูเข้าไปในเมืองออกมาให้มันเกิดอะไรขึ้นคุมผ้าอยู่ตอนนั้น บอกลูกชายเขาเห็นเอกเราพามาที่นี่ทาไมผู้พระครูเพิ่งมาปีสองปีนีะเขาบอกไม่รู้หรอกเขาไปที่ไหนก็มันมรักษาไม่หายแล้วก็พามาที่นี่บุญมันส่งมานะไม่รู้จักกันนะนะพระครูบอกเปิดผ้าขึ้นมาดูซิมันรู้ตัวอยู่ก็บอกมึงไม่ต้องกลัวตายหรอกมึงตายแน่แน่เป็นเอกก็ตายไม่เป็นเอกก็ตายฉันก็ตายมันลุกขึ้นมานั่งเลยอ แล้วอยู่กับพวกครูสามสี่วันมันเบียรพวกคูบอกนี้ไกลๆพวกครูคุมเองอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะมันหลังเหลือออกมาออกมาหมดเลยนะนะไม่กี่วันมันก็ขี่จักรยานเฉยเลยไงโลกอุปทานนี่สําคัญมากยกตัวอย่างว่าเราเป็นมะเร็งมาหลายปีแล้วก็ทํางานเป็นปกติพวกครูเคยบอกคุณหมอนะคุณหมอไอ้ ก, การที่สิทธิในในรับรู้เรื่องข่าวสารสิทธิในการรู้ความจริงนี่มันช่วยได้จริงเหรอ พอตรวจพวกตรวจเธอเป็นมะเร็งปุ๊บสุดเลยทาไมสุดทันทีเลยถ้าเราบอกทาซานมึงเป็นมะเร็งก็เฉยนะเพราะมันไม่รู้ว่ามะเร็งคืออะไรเนี่ยโรคอุปท า, านนี่พอมันสุดแล้วนี่ดึงขึ้นมาเก่านี่ยากมากนะไอ้โรคอุปท า, านนี่รุนแรงกว่ามะเร็งด้วยเห็นไหมบางอย่างเราต้องแก้ด้วยอุปท า, านปลดอุปท า, านให้มันใช่ไหม เนยไอ้หนุ่มคนนั้นพูดว่ามึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงตายแน่แน่ทีแรกมันโกรธนะมันโกรธนะมันโกรธเลยไปแช่งมันะนะะบอกเป็นเอกก็ตายไม่เป็นเอกก็ตายฉันก็ต้องตายเหมือนกันเธอไม่ต้องกลัวหรอกตายแน่แน่มันลุกขึ้นมานั่งเลยแล้วไม่กี่วันมันก็ฟืนเนก็สามคำถามนี้หมดแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าถึงเวลาเนี่ยอะไรก็แก้ไม่ได้นะ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะส่วนเราไปกินยานู่นกินยานี่บางทีมไม่ใช่หายเพราะยานั่นหรอกเนาะอย่างอาหารชีวิตจิตเนี่ยตัาจิตเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่รักษานะอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นมะเร็งตายเหมือนกันนะั่นแหละคือเป็นอาหารที่เรากินเพื่อไม่ไปส่งเสริมมะเร็งเท่านั้นเองวิธีรักษามะเร็งที่ดีที่สุดนะคือว่าไม่ต้องกินอะไรเลย ถ้าเราทนได้สักสองเดือนนี่มะเร็งก็หายเนี่ยมะเร็งมันแห้งตายหมดแต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตนี่สามวันเราก็เดี้ยงพวกกูเห็นมาแล้วนะถ้าพลังจิตมันมันอยู่ได้น่ะไอ้ไขมันเราสะสมอาหารเราอยู่ได้ตั้งหลายเดือนมันทำให้มะเร็งมันฝ่อตายแต่เราอยู่ได้ด้วยพลังจิตนั่นหละหายแต่ไม่ใช่ทุกทุกคนทบได้โลกภูมิแพ้เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน ฝึกจิตเมื่อมันมีพลังแล้วจิตมันรู้เลยนะกินน้าก็กินแค่อยู่ที่คอไม่ให้ถึงกระเพาะไม่ให้กระเพาะทำงานเลยไวรัสอะไรเนี่ยมันฝ่อตายหมดอันนี้คือธรรมะโอสถพุทธะโอสถก็ช่วงตั้งแต่ จะเป็นหาเรื่องหรือเปล่านะที่พวกเราเปิดให้เด็กๆมาอยู่ประจําที่นี่แรกๆ ก, ก็คิดว่าจะรับเฉพาะอนุบาลกับปฐมเพราะครูก็สั่งทําเตียงไม่อยากเปลืองเนื้อที่ยังไงเตียงแค่อนุบาลปฐมมันอนแล้วผู้ชายก็ญาติธรรมก็อยากจะหยุดชีวิตนะก็อยากฝากลูกที่เป็นมัธยมด้วยมาอยู่ที่นี่ก็เมตานั่นแหละก็รับมาอยู่นะ ก็เลยแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ให้มาอยู่ค่ายทำข้างล่างที่มีเตียงอยู่แล้วก็ดีแต่บังเอิญคลื่นมันแรงพอเรารับสี่ห้าสิบชีวิตมาอยู่ที่นี่เนี่ยทุกคนก็มีอารมณ์นะยิ่งอยู่กับเด็กๆนะเขาเพียวๆเลยนะดีก็ดีเลยไม่ดีก็แสดงออกมาเลยนะถ้าไม่ทันนี่เดี้ยงเลยนะเหนื่อยมากๆนะพี่เลี้ยงที่ไปดูแล ทีนี้คืบมันก็กระทบไปทั้งศูนย์เลยนะพ่อครูบอกทุกคนในศูนย์นะให้นิ่งๆก็มีมารมันมาครอบงําว่าไปหาว่าคนนี้หาว่าให้ไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างพ่อครูบอกนะมันมีใครพูดพ่อครูพูดเองแต่เราเข้าใจคําว่าให้ไม่ได้คืออะไรรู้ไหมไอ้กิเลสํามีกิเลสมันไม่ชอบเลยมันมีอัตตามันมันชักไม่ชอบ มันก็ไปพูดต่อว่าคนนั้นพูดว่าให้ไม่ได้รับไม่ได้ไม่รู้ใครสั่งให้ไปรับนะคำว่าให้ไม่ได้เราเข้าใจมันไม่คืออะไรบางคนทําบุญแล้วให้แต่ก็ไปตามบุญทำไมไม่ประกาศชื่อสันทักทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าให้ไม่ได้ให้แล้วไม่ได้อะไรเลยทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญ แต่บางคนเนี่ยเขาบอกบุญมาแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ในกระเป๋าไม่มีสตังค์เขาก็อยู่เฉยๆคนคนนี้เป็นแค่คนยังไม่ได้ให้ไม่ได้ไปว่าคนให้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คนที่ในกระเป๋ามีสตังค์เต็มเลยแต่ว่าไม่ยอมให้ก็ไม่ได้เป็นไรนะถ้าไม่ให้เป็นแค่คนยังไม่ได้ให้ยังไปพูดโน่นพูดนี่อีก ไปว่าคนที่เขาให้นะคนคนนี้แหละคนแบบนี้ก็คือคนให้ไม่ได้เหมือนกันให้ไม่ได้ไม่พอไปสร้างวัจจิ ร, รมอีกนะผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรจะเป็นแบบนี้เราไม่มีมุทิตาจิตเราเห็นเขาเขาเหนื่อยเออถ้าเรายังไม่มีความพร้อมร่างกายไม่พร้อมไม่มีใครว่าสักคนหนึ่งนะเหมือนเขามาบอกบุญเ ร, เราต้องขอบคุณเขานะเขามาบอกบุญเราถึงหน้าบ้าน ส่วนเราจะพร้อมถึงจะทำหรืออย่างเี้ยมันเป็นสิทธิของเราเราไม่พร้อมที่จะให้เราก็ไม่ต้องให้อันนี้เรียกว่าคนแค่คนยังไม่พร้อมที่จะให้ไม่ได้ไปว่าคนให้ไม่ได้คนให้ไม่ได้ก็คือไม่ให้ก็ยังไปว่าเขาอีกไปอิจฉาเขาไปว่าเขานี่แหละคือคนให้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้บุญยังสร้างวาจีกรรมอีกนะอันนี้ต้องเข้าใจนะ ทุกวันนี้วันศีเราสอนลูกๆว่าลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะพราคูก็นั่งแอบดูไม่เคยพาลูกไปทำความดีเลยแค่อย่าไปทำช่วยพ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองแล้วมันจะดีได้อย่างไรรุ่นแรกพ่อคูเปิดที่นี่คือลูกสาวพ่อคูเองน้องขี26ปีก่อนมาอยู่ที่นี่เขาก็เรียนอนุบาลในหมู่บ้านไ ม, ไม่ได้แข่งขันจนหมด ที่นี่มีจนหมดไม่มีใครรวยสักคนหนึ่งมันไม่แข่งขันพระครูก็ยอมให้เรียนพอจะเรียนมัธยมครูก็เปิดกอสนอกนะเราสอนให้เขาเป็นคนดีคือยังไงเราก็เตือนเขานี่นีนน่ี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเกิดนะลูกยังไงต้องหาเรื่องว่าเราเป็นวันเกิดของเราเนี่ยนะไปเลี้ยงเพื่อนๆ เ, เลี้ยงเด็กคนจนไม่ใช่เพื่อนเรานะไม่ใช่ฉลองนะ ไม่ใช่วันเกิดไปเป่าเคก้กการฉลองความเจ็บปวดของแม่วันที่เราเกิดเนี่ยคุณแม่เนี่คลอดเราเนี่ยตายกับเป็นนี่มีค่าเท่ากันจะไปฉลองเราพยายามใช้อุบายให้เขาทําความดีตลอดคนดีคือคนให้ได้อภัยได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคมแต่ตอนนี้เราไม่เคยสอนลูกทําดีเลยเราลักลูกแบบอะไรก็ไม่รู้กลัวมันจะเสียเปรียบน้องดอนเองลูกชายไปโรงเรียนในหมู่บ้านเขาตัวใหญ่ที่สุดเลยนะ เขาเกิดอยู่อเมริกาเขาก็กินนมเพราะครูอุ้มมาเนี่ยจากหกเดือนอุ้มมาที่นี่ก็โดนเพื่อนเขาหลังแกเขาก็มาเล่าให้พวกครูฟังพวกครูบอกลูกเพื่อนตีลูกนี่ดีไหมเขาบอกไม่ดีถ้าดอนตีคืนนี่ดีไหมดอนก็เป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่เคยตีใครเลยตั้งแต่เกิดนะบอกเพื่อนดีๆอย่าตีมันไม่ดีหรอกครับเพื่อนไม่ฟังก็บอก ค, คุณครูแต่ถ้าเป็นลูกเราเป็นยังไงรู้ไหม จุงแขนไปหาคุณครูเลยเห็น ไ, ไหมไม่ได้ลูกต้องตีมันคืนเลยเพราะเขาตีลูกเราครั้งหนึ่งมันตีคืนครั้งหนึ่งมันตีมาอีกสิบครั้งแทนที่จะเจ็บครั้งหนึ่งเจ็บสิบอ็ดครั้งเราสอนลูกเป็นคนดีเหรอคนดีต้องตีคนไม่ได้ต้องยินทาคนไม่เป็นนั่นแหละคนดีแต่ตอนนี้ยุคนี้เรากลัวเสียเปรียบสอนลูกเป็นคนดีแค่อย่าทำความชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนตอนนั้นเอง ไม่ค่อยมีเวลาพาลูกไปทำความดีนะโดยเฉพาะเราเป็นผู้เดินทางผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติส่วนยังไม่พร้อมประพฤติแล้วก็นิ่งเฉยตำลึงทองอย่าขยันพูดมากพูดจนขัดแย้งกันไปหมดนะกรรมนะก็วจีกรรมไงนั่งเฉยเฉยไม่ต้องสร้างกรรมดีไหมนะ ไม่ใช่ต้องมีเงินท่องทำบุญนะที่นี่ไม่ต้องมีเงินนะเรามีแรงก็ทําบุญได้เรามีความรู้ก็แบ่งปันก็บุญได้ใช่ไหมถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะทําร่างกายเราไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องทําไม่มีใครใครว่าแต่ไปเที่ยวพูดโนนเที่ยวนี้คนนั้นว่าให้ไม่ได้บ้างแล้วไปแย่ให้ทุกคนเข้าใจกันผิดเนี่ยอันนี้กรรมหนักนะตอนนี้กระแสแรงๆนะต้องนิ่งๆ ถ้าศูนย์อยู่กับที่นี่เราจะสู้กระแสะกรรมมันไม่ได้องค์กรจะโดนจะเด้งทำไมทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นมาเร็วขนาดนี้เพราะฝ่ายลบมันแรงพวกครูอยู่ที่นี่ยี่สิบกยี่สบกปีห้าปีห้าปีห้าปีมันเปลี่ยนครั้งหนึ่งตอนนี้ปีที่ยี่สบกปีใหม่เกิดขึ้นมานี่มันแรงแบบน่ากลัวมากเมื่อฝ่ายลบมันแรงฝ่ายบวกไม่แรงเท่ากันเนี่ยเราสู้มันไม่ได้เหมือนเรา เอาอีกหลายชีวิตมาอยู่กับเราเหมือนเราเพิ่มบุญให้องคอ์กรเราจะพอใจบุญแค่นั้นกำลังเราจะสู้กระแสกรรมมันไม่ได้แน่นอนช่วงมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้มารมันก็ฟาดวงฟาดฟาดหางเพราะสิ่งใหม่มันเกิดขึ้นมันไม่ชอบมันต้องการอยู่สงบเ็บเงียบบางคนพูดแม้กระทั่งว่าต้องการอยู่เงีย บ, ยบนะพ่คูคิดยังไงไม่รู้ทาความวุ่นวายนั่นละ่ะนั่นล่ะคือคนให้ไม่ได้ คุณไม่ยอมเสียสละความชอบของตัวเองถ้าไม่พูดก็อยู่เฉยๆก็ไม่ต้องสร้างกรรมไงนะอันนี้ก็ขยันพูดจังเลยนะมันไม่มีประโยชน์นะนิ่งเฉยตำลึงทองบางครั้งไม่แน่ใจว่าอะไรก็นิ่งช้าอยากขยันพูดไม่รู้ปฏิบัติไปทำไมเนาะปฏิบัติต้องนำไปประพฤติ ส่วนประพฤติได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่กำลังของแต่ละคนมันเป็นนานาจิตตังไม่ใช่ทุกคนต้องทำเหมือนกันนะมะพวกครูต้องเชิญมาต้องเรียกมานะมาปรึกษาก่อนให้ยเรามีจิตกันบางนี้ใครจะพร้อมนะถ้าคนเขาพร้อมเขาฉลาดเอาบุญเนี่ยเขาโดดใส่เลยบางคนพวกครูไม่ได้เรียกมาก็มาขอพ่อครูทำเองไม่ต้องไปสแสวงบุญหรอกบุญกองอยู่ข้างหน้ายังไม่รีบเอาอีกนะเห็นไหม แล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเอาทุกคนเพราะว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ฝืนกิเลสเราเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้มแข็งเพราะครูบอกเลยในศาลานี่เวียงไปจนตายก็ไม่ไปไหนสร้างลูกโป่งเป่ามันลอยแล้วแต่ไม่ยอมตัดบ่วงเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกตัดบ่วงกิเลสตัวเองตัดบ่วงมันต้องต้องทนเจ็บปวดต้องแลกด้วยความเหนื่อยเห็นไหม ไม่ต้องไปหาสตังนะอยู่ที่นี่เราให้เวลาเราเนี่ยเอาเวลาเราส่วนเกินของเราเนี่ยนะนอกจากทากิจกรรมส่วนตัวอะไรเรียบร้อยปฏิบัติเลยเนะี่ยเวลาส่วนเกินเนี่ยไปให้คนอื่นโดยเฉพาะให้เด็กๆยากจนแถวนี้นะมันเป็นโอกาสดีนี่คือเอาเวลาสองเอาความรู้ความสามารถซึถ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราผ่านโลคมาก่อนเขาเนี่ก็ไปดูแลเขา มาถ้าคนฉลาดนะพ่อครูเมื่อวันเสาร์เนี่ยธรรมดาบอกนวาดว่านวาดวันอาทิตย์เนี่ยพ่อครูขอกินข้าวกับเด็กเที่ยงแกจําผิดเมื่อวานนี่ก็สั่งเด็กมารอพ่อครูตั้งแต่สิบโมงพ่อครูเอ๊ะนวาร์ดเรียกเด็กขึ้นมาทําไมแต่เข้าใจว่าเมื่อวานนี่ไม่เป็นไรพ่อครูนี่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามเหตุและปัจจัยไปเด็กขึ้นรถ นะ้ววาดขับไปคันหนึ่งคุณเล็กอยู่ๆก็วิ่งมาขอขับให้คนเขาฉลาดเอาบุญไงแล้วเราก็พาเด็กๆไปกินข้าวในเขื่อนเพราะครูประชุมเด็กนะไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้เขามีเงินแล้ว เ, เขาดีไม่ใช่คนมีเงินต้องเยอะแยะแต่ไม่ทำอย่างนี้ เขาก็เอาเอาเวลาเขาเนี่ยเอากำลังเขาไปขับรถให้ยังไม่พออยูยังไปจ่ายเงินค่าอาหารอีกธรรมดามือนี่พ่อครูเป็นพ่อบ้านพ่อครูจะเลี้ยงลูกๆพ่อครูเขาก็ได้บุญไปเต็มๆเลยนี่คือคนที่เขาฉลาดเอาบุญแต่คนที่ไม่ไม่พร้อมที่จะให้ก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ทุกคนต้องทำแบบนี้แล้วพ่อครูไม่ได้เชิญด้วยนะนะคือบางครั้งเนี่ยพ่อครูเนี่ย เมื่อเด็กมาอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นลูกหลานพ่อครูหมดพ่อครูต้องมีเวลาอยู่กับเขาพ่อครูสอนไม่ใช่ไปนั่งลูกต้องเป็นคนดีนะสินห้ามมีแค่ไรเนี่ยพ่อครูไม่เคยสอนแบบนี้พาอครูอยู่กับเขาให้เขาสนิทสนมกับเรานะให้เขาก้าที่จะแสดงออกปรึกษาพ่อครูนะรุ่นน้องคีนี่ทำแบบนี้นะพ่อครูสอนไม่ใช่ไปสอนในห้องเรียนนะเราไปเที่ยวด้วยกันเราไปทัศนศึกษาด้วยกัน นะมีครั้งหนึ่งพ่อคูพาไปบางแสนเห็นไหมมันมีพิษพันธ์สัตว์น้ําพ่กคูก็พาเด็กไปดูเนี่ยนะมันมีตู้กระจกใหญ่มีปลาฉลามปีอะไรเด็กมันนอกไม่เคยเห็นเลยนะเขาตื่นเต้นมาพกพ่อคูก็ปล่อยให้เขาดูสักพักหนึ่งเอาเด็กๆ เ, เห็นตำรวจไหมอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในตู้นั้นมันมองหลายคำบอกไม่เห็นมองใหม่มองใหม่เขาก็มองของผมไม่เห็นครับเออแล้วทําไมปลามันไม่ทะเลาะ ก, กัน ถ้าพวกเราทะเลาะกันก็อายใครบอกอายป่าเราสอนแบบนั้นพาไปเที่ยวสวนเสือมีกงหนึ่งมีเสือมีหมูมีหมาสามตัวมันอยู่ด้วยกันเขาเรียกมันจันตเด็กมันเป็นเพื่อนกันเห็นไหมถ้าลูกๆขัดแย้งกันในอายใครไอคนหนึ่งบอกอายเสือคนหนึ่งบอกอายหมูคนหนึ่งบอกอายหมานั่นคือการศึกษา เด็กมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปในห้องเรียนหรอกถ้าเขาอยู่ได้นะั่นแหะเขากําลังเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นซึ่งเกิดมาไม่รู้จักกันเลยแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบสัมมาทัเรียบง่ายนี่คือการศึกษาแล้วเขาจะเข้มแข็งนี่คือการศึกษาเรียนรู้ชีวิตต่อไปเขาเกิดไปอยู่ในที่สูงนั่นเป็นผลพลอยได้ของชีวิตแต่ถ้าเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุตกต่ำเนี่ยเขาฝึกมาแล้วเขาจะไม่ทุกข์ นี่คือการศึกษาไม่ใช่ไปเรียนในห้องเรียนไปท่องจําท่องจำนะนะพราอครูถึงบอกแล้วว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปแข่งบุญกันนะใครพร้อมแค่ไหนก็ทําไปนะไม่ใช่ว่าไปแย่งกันทำบุญน่ยไม่ใช่ต้องเข้าใจนะไม่พร้อมที่จะให้เนี่ยก็นั่งอยู่เฉยๆมุ่งมั่นปฏิบัติไปกวาดใบไม้ก็ได้บุญ เห็นไหมไม่มีใครว่าสักคนหนึ่งแต่อย่าพูดว่าคนนั้นว่าเราให้ไม่ได้รับไม่ได้จะไปรับมันทําไมล่ะมันหนักนะทำก็ได้ไม่ทําก็เสมอตัวแต่พูดปุ๊บเป็นวจีกรรมนี้ขาดทุนนะทําบุญตามบุญไม่ใช่บุญบุญคือเบาบ า, บาปคือหนักทําแล้วเบาอกเบาใจนะ ก็เป็นบุญแล้วไม่ต้องไปรอชาติหนะ้าทำแล้วหนักอกหนักใจทะเลาะกันหนึ่งมันกลายเป็นบาป ก, นะก็มีบางกระแสอีกตอนนี้กระแสมันมันไม่น่าจะเกิดที่จะสูญนะเฮ้เขามาปฏิบัติธรรมไปใช้เขาทำงานทำไมเข้าใจหรือเปล่าคำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรแล้วเรารู้ได้ยังไงเราไปใช้เขาใครกล้าจะไปใช้ เขาภาวนาตัวเองว่าเขาจะช่วยอะไรทําได้บ้างพี่เลี้ยงก็บอกให้เขาไปทําไอ้ผู้หวังดีต่างๆก็ไปบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมไปใช้เขาทํางานการทํางานคือการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเนี่ยไม่ใช่พราะูพูดนะชมเชยไอ้ทีมประตูน้ําเนี่ยเขาเหนื่อยมากนั่งรถมามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาทําความสะอาดเจ้าแม่กวนอิมทำความสะอาดพระพุทธ ร, รูปเขาฉลาดเอาบุญไม่ใช่ไปนั่งเบียงในศาลาอย่างเดียวนะ การให้ทานคือการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาไอคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่คนที่อยู่ศูนย์นานๆเนี่ยนะปฏิบัติไม่ตั้งใจปฏิบัติมินแต่นั่งเกาะกลุ่มคุยกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะไปก้าวหน้าอย่างไรเราไม่เคยไปคุกคีเลยลจะรู้ว่าเขาทําอะไรหรือแล้วมันนั่งวิจารณ์อยู่ตรงนั้นอนะ่ะแทนที่จะเป็นบุญนี่กลายเป็นสร้างวจีกรรมตลอดไม่ควรกระทํานะปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาการให้ทานในการปฏิบัติธรรม เวียงจนตายแล้วไม่ ไ, มไม่นำไปประพฤติเนี่ยไม่มีประโยชน์แถมสร้างอัตตาอีกอุ้ยฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วปฏิบัติเพื่อเราจะลดอัตตานะต้องเข้าใจนะปฏิบัติธรรมคือการให้เนี่เป็นการปฏิบททัติธรรมทานนี่เป็นการปฏิบททัติธรรมแต่ที่นี่ไม่ใช่หลับหูหลับตาจะไปใช้คนนั้นเนี่ยไม่มีหรอกถ้าไม่ภาวนาตัวเองเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไปใช้เขา อันนี้เราเห็น ต, ต, ต่อหน้าเลยยังยืนดูเฉยๆว่าไม่ใช่หน้าที่จะฉันเป็นผู้ปฏิบัติทมตอนนี้ลูกหลานเราเสียคนเพราะอย่างนี้รู้ไหมเขาเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเห็นไหมเรียนหนังสืออย่างเดียวอย่างอื่นสักผ้าไม่เป็นทําความสะอาดบ้านไม่เป็นแล้วมันยังไงล่ะมันไม่ใช่การศึกษานะอันนั้นเป็นแค่เรียนหนังสือการศึกษาต้องเรียนรู้รู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษ รู้กฎแห่งกรรมรู้วิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นพูดกันรู้เรื่องนั่นคือการศึกษาแต่ตอนนี้บอกฉันเรียนหนังสืออย่างเดียวเป็นหนอนหนังสือท่องจําหนังสือทําอะไรก็ไม่เป็นมันไม่ใช่การศึกษานะเด็กเสียคนหมดรู้จักให้ได้อภัยได้เห็นไหมรับผิดชอบตัวเองกับสังคมนี่คือการศึกษาที่พื้นฐานทุกคนต้องเรียน โรงเรียนเราตั้งโจทย์ชัดเจนเลยหลายปีก่อนความรู้ของเราคืออะไรหนึ่งเราต้องมีคุณธรรมคุณธรรมบังคับคือมารยาทมีจริยธรรมก็คือว่ามารยาทฝรั่งแบบหนึ่งคนไทยอีกแบบหนึ่งแต่มารยาทสากลเนี่ยเราต้องเรียนรู้มารยาทตรงนี้เพื่อเป็นการฝึกวินัยให้เรากรับผิดชอบนะเจอกันต้องทักทายกันพูดอย่างมีมารยาทเขาก็รักเราเราก็รักเขาเขาก็เชื่อมั่นในตัวเรา แล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยอนุบาลแบบหนึ่งปถมแบบหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าความรู้เราเนี่ยสอนวิชาการไม่ใช่อนุบาลรู้รับผิดชอบตัวเองสอนให้มันพึ่งตนเองได้นะปฐมนี่สอนให้เขารู้จักช่วยคนอื่นเนี่ยคือความรู้รู้รับผิดชอบตัวเองรู้รับผิดชอบสังคมรู้บาปบุญคุณโทษรู้กฎแห่งกรรมรู้วิธีคุยกับพ่อแม่ให้มันรู้เรื่องอันนี้เรียนไปเรียนมาชั้นเรียนชั้นสูงเนี่ย แม่พูดมาคํานึงมันเถียงไปสิบคาเลยอันนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ความรู้ตรงนี้ไม่ใช่รู้วิชาการนะรู้การพัฒนาชีวิตรู้การบริหารชีวิตและอันที่สามคือแข็งแรงไม่รู้ว่าอนุบาลปถมมัธยมหรืออันดึหรือมหาวิทยาลัยต้องแข็งแรงไม่ใช่จบด็อกเตอร์แล้วก็เด้งอันนั้นคือยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ สามอย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้ชีวิตแต่ความรู้แต่ละวัยเนี่ต้องเราต้องพัฒนาทีละอย่างอันดับแรกต้องให้เขารู้หน้าที่เขาอนุบาล น, นะเห็นสมัยก่อนเด็กๆ เ, เล่นกันคุณพ่อคุณแม่บอกหยุดหยุดยุดยุดทะเลาะ ก, กันอย่าทะเลาะ ก, กันมันหยุดเลยนะเพราะมันรักพ่อแม่ไง แต่พอัวขึ้นเนี่ยทะเลาะ ก, กันคุณแม่บอกหยุดมันผิดฉันถูกอะ่ะพูดคํานึงมันเถียงไปสิบคาเนี่ยยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ไงยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ความรู้เราตอนนี้คือหนังสือฉันมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวฉันไม่มีหน้าที่คุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องฉันไม่มีหน้าที่ทําความสะอาดฉันไม่มีหน้าที่ซักผ้าฉันเรียนหนังสืออย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่การศึกษาอันนั้นเป็นวิชาเรียนหนังสือ ปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ใช่ฝึกสมาธิอย่างเดียวนะไม่ใช่หลับหูหลับตาเจริญสติอย่างเดียวนะทานเนี่ยศีลภาวนานี่คือปฏิบัติธรรมพูดได้ยังไงว่าเขามาปฏิบัติธรรมใช้เขาไปทำงานขยันพูดจังเลยเนาะอยู่เฉยเฉยไม่ชอบอย่าสร้างกรรมเนาะก็เมื่อคืนมันเป็นแบบนี้พ่อครูก็ชี้ให้ทุกคนเห็น ตอนนี้ยังไม่หายไปไหนนะมันกำลังล่อนอยู่ห้าปีห้าปีครั้งตอนนี้มันขึ้นต้นปีแค่ปีแรกมันก็ล่อนอย่างแรงเลยนะมันกำลังล่อนอยู่อยู่ที่ว่าบุญใครมากน้อยแค่ไหนนะมันเป็นตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะกูเป็นคนร่อนนะกระแสกรรมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบมันมาพร้อมกัน ถ้าจิตที่มีกุศลแล้วในฝ่ายบวกก็ดึงเขาข้ามพน้นถ้าไอ้ที่ไม่ไม่ยอมทําความดีเพิ่มเติมเราพอใจแค่นี้กระแสกรรมมันมากกว่ามันก็ดึงเราออกไปอันนี้เตือนกันแล้วนะไม่จําเป็นอย่าสร้างกรรมเพิ่มเดี๋ยวฝ่ายลบนี่ยมันแรงกว่านะทำนิดนึงกลัวเสียเปียบทํานิดนึงกลัว กลัวกลัวอะไรล่ะเราไม่ทําวันหนึ่งเราก็แก่ไปวันหนึ่งล้วจะรออะไรเหรอเห็นไหมล่ะแต่ทุกคนต้องทําแค่พอดีทางสายกลางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่บังคับซะหน่อยว่าทุกคนต้องไปทําอย่างเดียวกันไม่ใช่เราไม่ต้องทําก็ไม่ต้องพูด เนี่ยไม่มีมุทิตาจิตอย่าว่าแตมุทิตาเลยเมตตาก็ยังไม่มีแล้วข้อแรกก็สอบตกนะบางคนมีเมตตานะเห็นเด็กมันล้มลงไปรถมอเตอร์ไซค์ชนมันหัวแตกโอ้สงสารนะแต่ฉันไม่มีเวลาฉันต้องรีบไปทำงานนี่มีเมตตานะแต่ไม่มีการุณาบางคนทุกคนมีงานแต่ทิ้งงานก่อนไปช่วยเขาก่อน พาส่งโรงพยาบาลแล้วอาจจะสูญเสียผลประโยชน์เราไปทํางานเนี่ยแต่เราได้กรุณาแล้วบางคนได้กรุณาแล้วนะนะบางทีช่วยก็ช่วยเขาไปแล้วแต่ว่าบางเอิญเขาได้ดีกว่าเราไม่มีมุทิตานะเห็นเขาทําบุญทัน ท, ที่จะสาธุร่วมบุญได้กุศลกับเขาเนี่ยไปอิจฉาใช่สิมึงมีเงินใช่สิอะไรเนี่ยไม่มีมุทิตา บางคนสาธุดีใจกับเขายินดีกับเขาแต่พอวันไหนเขามาเบียดเบียนเราเนี่ยไม่มีอุเบกขายอมไม่ได้กลัวเสียเปรียบนี่แหละพงวิงหารเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ต้องประพฤติทุกวันไม่ใช่วิชาเรียนนะ แล้วตอนนี้เด็กๆที่มาอยู่กับพ่อครูเนี่ยพ่อครูกำลังถ่ายทอดพรมวิหารในเขาแน่นอนตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือก่อนนะพ่อครูเดินทางไปกับเขาไปกินข้าวเที่ยงเดินกับพ่อครูนี่พ่อครูสอบเขาเลยนะที่วันนั้นพ่อครูให้การบ้านสองหน้ากระดาษอันนี้เรียนเดือนหนึ่งนะก็คือว่า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 คนพูดเก่งยิ่งพูดก็ยิ่งขัดแย้งกันเรียกว่าคนพูดไม่เป็นคนพูดเป็นถ้าจำเป็นต้องพูดพูดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นคล้ายๆมันง่ายๆนะคนทำเป็นไม่ใช่คนทำเก่งคนทำเก่งยิ่งทำยิ่งเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะอย่างมันสร้างอาวุธนิวเคลียร์มันทำเก่งไหมเก่งแน่นอนมันถึงทาสาเร็จแล้วมันดีไหม อาวุธนิวเคลียร์มีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นทำลายล้างต่อไปลูกหลานมันต้องตายเพราะอาวุธนิวเคลียร์ที่มันสร้างนี่คือคนทำเก่งคนทำเห็นไหมคนทำเป็นไม่ใช่คนทำเก่งคนทำเป็นถ้าจำเป็นต้องทำทำแต่เรื่องซึ่งเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองผู้อื่นอันนี้สั้นๆอาทิตย์ที่แล้วให้การบ้านเพราะครูเดินไปด้วยเรียกมาทีละคนไม่ใช่ว่าให้เขาไปสอบเห็นไหมเจีย๋ยกับโบไปช่วยสอนมัธยม มารายงานพ่อครูว่าม5ที่นี่เนี่ยเกือบ90สเอร์ซนี่ยลอกการบ้านกันโบก็ถามพ่อครูว่าไอ้คนที่ลอกการบ้านนี่ยกับไอ้คนที่ไม่ทําการบ้านเนี่ยคนไหนเลวร้ายกว่ากันพวว่อครูบอกไอ้ที่ลอกการบ้านเนี่ยมันเป็นขโมยแต่ไอ้ที่คนไม่ส่งการบ้านนี่มันเป็นโจรมันป้นกลางแดดเลยมันไม่เก่งใจครูมันไม่ ม, มารยาท เด็กเรามันขาดความรับผิดชอบเห็น ไ, ไหมเพราะตอนนี้มันเป็นหมดเลยระดับอุดมศึกษานี่การบ้านนี่ไม่ต้องทำนะนะแค่จ่ายเงินมาเดี๋ยวมันตอบให้เราเลยนะในอินเทอร์เน็ตสังคมมันเป็นแบบนี้ไงแต่พวกครูสอนไม่เหมือนกันนะคุณลอกไม่ได้พ่อครูถามตรงๆเลยตอบเปี่ยนัันนะไม่ให้รู้ตัวด้วยแล้วทุกคน ต้องอ่านจนให้มันขึ้นใจเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิชาการมันเป็นสูตรของชีวิตต้องเอาไปใช้ตลอดชีวิตนี้เมื่อเราท่องสุดคูณนั่นแหละมันเป็นสูตรที่เราต้องฝังใจเนี่ยใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ไปท่องวิชาการอนนั้นนกแก้วนกขุนทองไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะครูถามมาจบนะเดี๋ยวว่าหลังเจอหน้าพวกพวกครูก็เรียกมาถามอีกนะ นั่นแหละรุ่นแรกที่พวกครูสอนเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเขาถึงเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเพราะเขาไม่ได้ไปท่องจำวิชาไร้สาระนะก็เด็กๆมัธยมยังไม่หมดหลายคนนะอย่าคิดว่าพวกครูปล่อยนะไม่ได้ปล่อยทุกคนต้องเตรียมตัวตลอดเวลาคนที่พวกครูยังไม่ไปสอบประเมินนะแต่เราไม่ได้เครียด เราเดินไปเที่ยวด้วยกันเราโอเคเราก็สอบเวลานั้นนะไม่ใช่ไปเครียดอยู่ในห้องเรียนนะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แค่นี้ก็พอให้รู้ว่าอะไรคือคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วก็อาทิตย์ต่อไปนะก็คือพรมวิหาร ะอะไรคือพรมวิหารแล้วก็ข้อแรกพรมวิหารบวกกับเมตตาอาทิตย์ต่อไปเพราะกูจะสอบอันนี้ต้องให้มันประทับจิตติดวิญญาณเราใช้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่วิชามหนึ่งอ่านจบแล้วเนี่ยไปประเมินความจํากันละตื่นขึ้นไปมสองไปท่องท่องมสองมหนึ่งลืมอันนั้นมันไร้สาระอันนี้ เหมือนระเดี๋ยวเราว่ายน้ำทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นไม่ลืมพออีกห้าปีเราไปเดินทางเราตกน้ำเราก็ว่ายน้ำเป็นนั่นแหละคือวิชาชีวิตไม่ใช่ไปท่องจำวิชาบา้บาๆบอๆทุกวันนี้แล้ววิชาคนอื่นเขียนมาหมดเราเป็นแค่นักเรียนแบบเราไม่ใช่นักเรียนรู้มาอยู่ที่นี่เรียนรู้ชีวิตจริงๆนะรู้สูตรของชีวิต พรนะมิหารนี่อันดับแรกก่อนพรมิหารจะทำให้เราคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นนะเมื่อคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วเวลาลงมือทำแล้วเนี่ยวิชาต่อมาคืออิทธิบาทสีเมอมันติดเป็นสันดานเป็นนิสัยเราแล้วต่อไปเราไปทำ ง, งานอะไรเนี่ยก็สำเร็จพรมิหารคือเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราอยู่กับคนเราต้องใช้พรมิหารแต่เราทางานเนี่ยเราใช้อิทธิบาทสี สองวิชานี้ผู้เจ้าบอกเราแล้วเนี่ยอันนี้ต้องทำให้มันเป็นะบวนการนิสัยสันดานเ mm hmm. พราะครูเคยบอกให้ฟังนะอาจารย์ที่มัธยมเนี่ยเคยขอพ่อครูขอห้องพิเศษพวกครูว่าอาจารย์จะเอาไปทำไมไปสอนจริยธรรมสอนยังไงสอนมารยาทให้มันไหว้ท่านโน่นท่านี้พ่กครูบอกจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนจริยธรรมเป็นจริยวัรที่ทำเป็นปกติคุณครูต่อจากนี้ไปเนี่ย ตื่นเช้ามารับเด็กนักเรียนรถมาส่งปุ๊บเนี่ยไปยืนไหว้เด็กก่อนอยู่อยู่หน้าโรงเรียนวัน ด, ดีลูกวัน ด, ดีลูกเราไหว้มันมันก็ไหว้เราจนกลายเป็นอุปนิสัยนั่นคือจริยวัตรไม่ใช่วิชาสอนมันต้องติดตัวคนไทยเราไปตลอดถ้าคงจือบอกนี่คือมารยาทมารยาทจะบ่มเพราะความนอบน้อมถ่อมตนความรับผิดชอบ ให้ความแข็งกระด้างมีตะกดๆๆๆนั่นเดี๋ยวมันทำงานพาดละเลยไม่ได้เจอหน้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจอหน้าเด็กต้องญี่ปุ่นมันก็โค้งคำนับกันมันเป็นการเตือนสติให้เรารู้จักรับผิดชอบไอ้ตัวนี้เป็นเป็นมารยาทถ้าเด็กเรามันมีมารยาทหนึ่งมันไม่ล่อ ก, การบ้านสอง มันไม่กล้าที่จะไม่ทำการบ้านเพราะมันกลัวเสียมารยาทนี่แหละลอกการบ้านก็คือขโมยไม่ทำการบ้านก็คือโจรมันป้นเวลาของชีวิตเขาก็บอกว่าบังเอิญว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นที่เรารับข้างนอกเข้ามาเลยนะก็ประคองอย่างน้นอยๆว่าเขาอยู่กับเราเขาต้องปลอดภยัยนะเราต้องบ่มเพราะ รุ่นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรากำลังทำอยู่แน่นอนมันมีงานใหม่เกิดขึ้นในศูนย์คลื่นมันก็เปลี่ยนทุกคนยิ่งต้องนิ่งต้องมีพมวิหารมากขึ้นเพราะกระแสกรรมมันแรงขึ้นเราจะต้มเติมเตยมเหมือนเก่าไม่ได้นะถ้าไม่ฟังพวกครูแล้วก็เอาไปสารวมระวังนะหลุดง่ายๆ นะหาว่าคนนั้นคนนี้พูดว่าให้ไม่ได้เขาจะพูดอย่าไปรับสิเ้าเป็นอะไรเราเหรอ พ, พ่อครูนี่แหละเป็นคนพูดนะแต่ต้องรู้ว่าพ่อครูว่าให้ไม่ได้แปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าไปสรรเสริญยนยอที่ว่าคนเขามีกําลังเขาให้นะนะให้ไม่ได้คือให้แล้วหวังผลให้แล้วมีอามิตร นั่นล่ะคือให้ไม่ได้ส่วนคนยังไม่พร้อมที่จะให้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนให้ไม่ได้ซะหน่อยหนึ่งเขาเป็นคนที่ยังไม่ให้เฉยๆเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คนที่ไม่ไม่พร้อมที่จะให้แล้ยังไปพูดนู่นพูดนี้อีกนั่นล่ะคือคนให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่พอไปสร้างวจีกรรมอีกอันนี้จำไว้นะไม่ควรที่จะให้พ่อครูได้ยินอีกอยู่ในศูนย์นี้นะปฏิบัติต้องนาไปประพฤติ เอาไปใช้ชีวิตประจำวันจริยวัตไม่ใช่วิชาสอนเพราะครูไม่สอนแบบนั้นนะก็เด็กๆมาอยู่ที่นี่ต้องอดทนหน่อยหนึ่งลูกอย่างพวกเราผู้ใหญ่นะเราหาเงินเราเหนื่อยใช่ั้ยเราก็ให้กำไรชีวิตไปเที่ยวไต้หวันเที่ยวญี่ปุ่นไปอยู่โรงแรมห้าดาวบางคืนเราก็นอนไม่หลับเลยนะขดาดโรงแรมห้าดาวมันครบหมดเลยใช่ไมการเปลี่ยนวิถีหมอนมันไม่เหมือนกันเนี่ย มันเป็นอุปทานเด็กๆ เ, เหมือนกันมาอยู่ที่นี่ผู้ปกครองเหมือนกันเคยอยู่ด้วยกันอยู่ๆลูกต้องแยกเราอยู่เนี่ยมันก็เป็นอุปทานเราต้องเข้มแข็งนะเราต้องฝึกตัวเองผ่านไปช่วงหนึ่งปุ๊บเนี่ยอารมณ์นั้นมันก็หายไปนะเด็กก็มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตเห็นไหมนี่คือการศึกษาเรียนรู้ชีวิตที่เราพึ่งตนเองถ้าเด็กที่นี่มาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปเขาพึ่งตนเอง เขาเรียนจนเขาขี้เกียจเรียนพ่อแม่ไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ก็กเกษียณอายุได้เด็กมันยิ่งใหญ่ไหมแต่ทําไปทํามาเด็กมันทําได้ผู้ใหญ่ทําไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงลูกเนี่ยรักลูกแบบไหนก็ไม่รู้เพราะครูก็ไม่รู้อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะนะนี่แหละคือการศึกษาไงเด็กมันกําลังศึกษาแต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมศึกษาการอยู่ที่ไม่ ไม่เคยชินเรารักกันแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องตายจากกันวันหนึ่งถ้าไม่ฝึกวันไหนตายจากกันน่ะทุกมากเห็นไหมมีโอกาสฝึกแล้วเนี่ยนี่คือการศึกษานะไม่ใช่ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสืออันนั้นไม่ใช่ฝึกสมาธิวิชาสมาธิไม่ใช่มรรคไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนา ปฏิบัติธรรมเลยไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมให้เนี่ยปฏิบัติจนตายมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันไม่ครบองค์ทานศีลภาวนาไอ้ตัวทานเนี่ยเป็นตัวกําจัดกิเลสตัวโรคตัวตนีเพราะางนั้นพระเจ้าไม่สอนนะแต่เราต้องทําตามกำลังที่เรามีไม่ใช่อวดมัง่งอวดมีไม่มีสตังก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขาเหมือนเขาทำบุญผ่อนสงไอ้นั้นมันไม่ใช่ทางสายกลางอันนั้นมันโง่ เห็นไหมงานมันเกิดใหม่ในศูนย์เนี่ยเราต้องเสียสตังค์ไหมคนไม่ทาบุญเนี่ยไม่เลยนะไม่ชี้เข้าไปเขาก็เอากําลังของเขาเอาเอาเอาความรู้เขาเอาเมตตาเขาไปทําบุญไม่ต้องเสียสตังค์เห็นไหมนี่บุญใหญ่นะยิ่งไปอยู่กับเด็กๆล่ะมันมันตรงๆเลยเนี่ยถ้าคือมันมันเหมือนเป้าบิ น, นโผล่ขึ้นมาเลยทีหนึงหลายลูกเลยนะ ถ้าไม่ทันเนี่ยเี้ยงเลยนะนั่นแหละยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะก็ให้เข้าใจนะถ้าจิตฉลาดนั่นต้องรู้จักสร้างอริยทรัพย์ไม่ใช่เอาแต่พูดนะพูดแล้วก็สร้างความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจผิดมันเป็นกรรมโอเคนะพวกูก็ใช้เวลาพอสมควรละสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาย